ส0สังคเทศสิกขาบทว่าด้วยการทำสงฆ์ให้แตกันเรื่องพระเทวทัต 409. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชครื้ครั้งนั้นพระเทวทัตเข้าไปหาพระโกกาลิกะพระกะตะโมระกะ ติดส ก, กะพระคันธะเทวีบุตรและพระสมุททะทั์ถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับท่านเหล่านั้นดังนี้ว่ามาเถิดท่านทั้งหลายพวกเราจะทาลายสงฆ์ทาลายจักของพระสมณโคโดมเมื่อพระเทวทัตกล่าวอย่างนี้พระโกกาลิกะได้กล่าวกับพระเทวทัต ด, ดังนี้ว่าพระสมณโคโดมมีฤทธานุภาพมาก ทำอย่างไรพวกเราจึงจะทำลายสงฆ์ทำลายจากของพระสมณะโคดมได้เล่า